ด้านศาสนาถ้าหากเราไม่มีศรัทธาสอนเสี่ยความเหลือมใสใเนด่งตั้งใจกัวที่ปฏิบัติให้รู้แยงเห็นชัดในอาจในธรรมมันส่งเสียสารประโยชน์อะไรให้ฟังก่อรำคานตายลำคานใจเราม่มีรสชาเหมือนคนป่วยขาดในรับอาหาร อาหารนั้นจะมีอยู่ความนึกอยากความหิวมันไม่มีคือถาดเห่ยรับอาหารจะมีรสชาติอ ร, อร่อยขนาดไหนแต่ถาดเห่ยรับให้มันคงจะเสือมสระเขาใส่ปากเข้าไปมันจะอาเจียนพราะถาดเหน่ยรับมีจิตผูุ้ชนคนหนา ทั่วไปก็ทำ น, นองเดียวกันถึงกรรมนั้นจะยังมีอยู่คงเส้นคงวาตลอดมาว่าตามแต่พวกเรานั้นเป็นเหมือนกันกับคนป่วยไม่นึกอยากอะไรเพราะถ้าขันมันไม่รับอาหารให้ฟังก็บเบื่อหูนำไปนึกคิดนิดหน่อยก็เหน็ดเหนื่อยโดยมาก ฟังแล้วก่อิ้งไปไมไ่เก็บเอาไว้มินดีไฉ่ราผิดถูกตัวดีอย่างไรมันตัวพืชกายวายใจใจของตัวอย่างไรจึงจะได้ป็นความสงบสุขความนึกคิดในส่วนเหล่านี้ไม่มีนี่แต่สิงนใช่นอกออยั่อายุให้พวกเราเผลอเผลอมัวเมาหลุ่มหลงเลื่อยไปคิดอย่างนั้นปุงอย่างนี้ ลาดแล้มคมทางชั่วทางเสียทางเป็นที่เป็นภัยแก่จิตใจของตัวแต่โง่เขามืดบอดในการที่จะแแกไขกำจัดขับไล่ความชั่วเสียต่างๆออกจากใจของตัวเด็ด น, นั้นพวกเราจึงเรียนหวตายเกิดตลอดมาทั้งทั้งที่ทุกคน มเมเกิดมาเชียงชาิเดียวเถานั้นคงเคยเกิดเคยตายเคยไปศบพบเห็นพระพุทธเจา้าเคยได้สหรับรับฟังทำจากพระโอษฐของพระองค์มาเหมือนกันแต่ความเหลื่อมใส ต, ตัทธาที่จะนำมาพิจารณาแก้กิเลสปัญหาของตัวมันไม่มีมันจึงไม่ดีไม่เด่นให้เหรย อย่างสวนอย่างเสียต่างๆเลยติดกายติดใจตลอดมาตังธรรมะต่อฟังพอเป็นพิ่ี่ถือว่าเราแก่เข่าแล้วไม่เขวัดเขวะหัวเล็เจ็ดแดงก็โกจะติสินินทาต่างเขวัดเขวะกับเขาเขาจะได้ไหมดูดูหมิ่นถึงวันท่าวันศีนก็บ่ายน่ะเขวัดเขวะ แต่จะมาพิ่เจณาอาจทำสังขารต้องตัวนั้นไม่ค่อยจะมีโอกาสเวลาให้พอใจมันปรุงปรุงไปเรื่องนอกมาอยู่ในวัดในว่าติดทิ้งการทิ้งงานทิ้งบ้านทิ้งสองทิ้งสามทิ้งของทิ้งลูกทิ้งล้านโอกาสเวลาที่เราได้มาทัก่อนหย่อนใจ ไม่มีงานอะไรภายนอกลูกหลานเขาก็อยู่บ้านดูของของเขาเก่าของก็อยู่ตามเรื่องของเก่าของเรามีโอกาสที่จะทีนี้ที่เจนาสังฐานว่าหลางจายนี้แต่ก่อนเก่าเราเ่อยเช็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาเต่งปังดูที่ไหนก็หน้าดูกําลังวังตาก็แข็งแกรงทําการทํางานอะไรก็ของแก่า แต่บัดนี้หลางกายของเราผ่านวันเดือนปีมาเขาไม่ได้เรียกว่าหนุ่มว่าสาวใช่แล้วเขาเรียกว่าผูา้เท่าผู้แฉตัวของตัวเองก็เห็นเป็นพยานว่าสังขารหลางกายนี้มันไม่จีิรังอย่างยืนมันแปรมันปวนไป ตามสภาพของมันตลอดทั้งกำลังกายที่เคยแข็งแจ่งก็ออ่อนเพียไปทำอะไรก็ไม่สมใจป่าธนาเรื่องเหล่านี้้ากเรานำมาพิิจารณานันะ่นก็เกิดธรรมะในจิตในใจเกิดสลดสังเวททาให้จิตวกเข้ามาหาอาหัดหารมไม่มั ว, มวเมาเฝ้าคิดไปใน อย่างอื่นจนลืมหลงตัวข้องตัวแต่นี่นี่โอกาสเขามาวัดมาวาแทนที่จาที่ม่คิดใจนารังสารหล่างกายจะคิดใจไม่เด้มาเกี่ยวข้องกับธรรมะอยู่กับธรรมะก็ไม่เกิดอะไรให้เพราะ รูปประทรมนามธรรมก็คือกายคือใจเป็นเหลื่อมธรรมะพระพุทธเจ้ากูเลีเอาธรรมะมาจากที่ไหนมาสอนกายสอนใจของตัวเองครูอาจารย์ขันไปเพื่อปฏิบัติท่านก็พิจารณากายใจซึ่งเป็นบ่อกเกิดของอารมณ์สัญญานานาชนิดทันรู้ทันฉลาดเฉลาดในการละการบาเพ็ญ ของใจชาตเกณตามเป็นจริงในสิ่งชั่วสิ่งดีต่างๆไม้จะมีความรู้ความฉลาดมาจากสถานที่อื่นนี่เป็นเรื่องธรรมะผูกกับพฤติปฏิบัติจะต้องดูจะต้องรู้จะต้องสนใจจึ่จะเกิดผลประโยชน์ให้ไม่อย่างนั้น <c oughs> มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกันฟังธรรมะเหมือนฟังเสียงนกเสียงหนูเสียงสัตว์มันร้อง พอมันหยุดมันหมดความหมายมีทางจะแสดงอะไรให้ฟังผิดถูกชั่วดีเราฟังแล้วไม่ได้เก็บซํานําไปกระเพิปฏิบัติทีนี้ที่เจนนะมันก็เลยไม่เกิดความฉลาดอะไรให้จิตใจจิตใจงงเง่าอยู่อย่างไรมันก็งงเง่าอยู่ต่อไปไเห็นไทยในวัฏสงสาร เห็นว่าเกิดมาแล้วหน่าชีเกิดก็เกิดไปหน่าชีจิ้นก็จินไปหน่าชีนอนก็นอนไปส่วนสังขารหลักใจที่มันหมดไปทุกวี่ทุกวันนั้นไม่ได้คิดมาบวกลบคูณหารกันดูอาอยุข้อเราที่หล่วงไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วเราไม่ได้คำหนึ่งคานวณถึงคํานึ่งคํานวณก็คํานวณอยากจะ้ะ ได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้อยากแกทำสิ่งอื่นไปไม่ดีคำนวณเพียงว่าอายุม qui, day, lives, ันหมดไปขนาดนั้นคุณความดีที่เราสะสมมามีอะไรบ้างจากนี้ไปจะจีวันจีเดือนจีปีเราจะเป็นผีเขาไม่เรียกว่าคนเขาจะหามไปสู่ปายช้าสู่เตาเผาหรือสู่หลุมฝังเท่านั้น ด้อะไรกันในเกิดการเกิดท้องตัวได้ที่น้พพิจย์นะเพื่อศึกษาหาทางในธรรมะมันไม่ค่อยมีเห็นนั้นมันจึงโง่อยู่ตลอดเว ล, ลาตาเห็นหูได้ยินกลองนี้จิกในนึกได้ฝึกตัวข้องตัวให้เป็นธรรม เรื่องของพวกเรามันเป็นอย่างนั้นถึงพระอราหารันตอราหันต์จะมาเป็นร้อยเป็นพันเพรจิตใจของเราท่านมันมืดบอดมันก็ไม่เห็นมิใสอุทุชนคนหนาโดยมากมันเป็นทํานองนั้นแต่พระพุทธเ จ, จ้าหรืออริยเ จ, จ้าท่านก็อาศัยเรื่องเหล่านี้นํามาทีพิจารณาเห็นอะไรกัน้า มาสอนกายสอนใจของท่านเป็นโอปัญยิโกอย่างท่านปูดเอาไว้ในตำรับต้นลาปิพะสะไปอยู่คนไม้เช้นใบไม้ <c oughs> มันล่วงลงมาจากต้นของมันท่านก็นำมาที่จ้านาเกียบถาดขันแต่ก่อนใบไม้ใบนี้ที่มันยังไม่แก่ยังไม่เดือง มันเกิดขึ้นมาอย่างไรและเติบโตมาได้อย่างไรจนกระทั่งมันแก่มันเหลืองมันหล่นนี้มันมีเวลาระยะอยู่กี่วันกี่เดือนมันจึงเป็นไปแบบนี้สังแานหลางกายของเราก็ทธรนองเยียวกันเหมือนต่นเกิดขึ้นมาอย่างไรแต่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรต่อไปจะเป็นอย่างไรท่านไข่คิด ให้เป็นอาจเป็นธรรมสอนใจเพราะรูปทุกอย่างที่เกิดมาได้มันก็นสลายไปได้ดับศูนย์ไปได้นี่คือการสอนใจของท่านให้วกเข้ามาภายในสงกราวะธรรมาเป็นโอปนญิโกคือน้อมเข้ามาสอนใจของตัว้าคนสนใจ ที่เจนะสังขารหล่างกายก็ดีที่แเจนะสิ่งต่างๆเพื่ออาจเพื่อทำนั้นคนนั้นไม่จนไปสถานที่ใดไม่จนอาจจนทำแกนั่งอยู่นอนอยู่ตาดูหูฟังเป็นอาจเป็นธรรมทั้งนั้นพอนําสิ่งเหล่านั้นมาไขคิดเพื่อแกไขจิตใจที่ฟลองจิแตแกคนที่ ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่คิดในเรื่องของอัดของทำจะแบกตำราของทำท่วมทีิะไปกายใจของเขาก็ไม่เป็นธรรมให้เพราะนั้นตำราของทำไม่ใช่ตัวของทำตัวของทำคือตายคือใจที่จะประพืชปฏิบัติไปตามสี่งที่ท่านแน่ท่านสอนเอาไว้ ผู้ิดผู้ขวางผู้เศราผู้มอง <c oughs> ผู้ยึดผู้ถือก็คือเรื่องของใจแต่ใจไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆมันก่าละไม่ได้ถอนไม่ออกแต่นั้นจริงควรคิดนิทพิจารณาํำราใจของตัวไม่มีโอกาสเวลาที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกได้เมื่ออายุแกขนาดนี้แล้วนึกไป คิดไปถึงอารมณ์เก่าที่ผ่านมาในอดีตว่าเราเคยสุขเคยทุกข์เคยเกิดเคยเพลินอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะอาดีตมันผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงของทานองเดียวกันอย่าไปคิดไปพุงให้มันยุ่งหัวใจทียนาแกะไขไปัจจุบันมันคิดบล่องเรื่องอะไรควรแกะไขมัน นี่คือเรื่องทำสิ่งพรผู้ใจเจ้าทรงสอนผูกกับพฤติปฏิบัติดูภายในดูใจของตัวถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่ามันชั่วบันดีถ้าดูก็รู้บางเรืนอย่างนั้นอย่างนี้ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต่อแก้ไขกันไปทำเป็นสิ่งที่แก้ไขจิตใจ ให้สะอาดกุฏิมีทําอยู่ในจิตในใจอยู่ในตัวของตัวจิตใจสะอาดเมื่อจิตใจสะอาดก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนจิตใจที่ส ก, กรปรกโฉ ม, มนั้นมันไม่สามารถที่จะมองเห็นเหมือนกันกันกบน้ำขุ่น จะมีอะไรอยู่ในนั้นเราม่สามารถาี่จะมองเห็นเพราะมันขุนถ้ามันใสแล้วแต่ก่อนอยู่ในนั้นก็มองเห็นอะไรตกลงไปนิดๆหน่อยๆก็เห็นนี่พราะเพราเน่าเพราะเหม็นไปหมักเอไว้มันก็มองเห็นไม่ได้พอหนะ้ามันขุ่นหน้ามใจผู้บริเราขุ่นก็นทานองเดียวกันที่มันจะใสได้เพราะอาศัยอะไร น้ำฝุ่นนั้นหากมีปัญญากวาสามารถทำให้ใสได้โดยอุบายวิธีต่างๆเราจะนำมาปอง ห, หลายๆครั้งเข้าน้ำฝุ่นนั้นมันก็สามารถใสได้เมื่ออย่างนั้นยิ่งปั่นน้ำฝุ่นนั้นมันจะหมดไปเพราะไอระเหยออกไปจิตไปเป็นน้ำหยบนั้น มันมันมีคุณมันใสมันสะอาดอืออารมณ์สัญญาจิตในจิตในใจของเราก็ต้องฝันต้องกองดูว่าอะไรมันดีมันชั่วเพื่อให้มันใสมันสะอาดมันจะรู้ว่าอันนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษอันนี้มันเป็นผลเป็นประโยชน์มันจึงจะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเก็นขึ้นในจิตในใจถ้าไม่ฝันไม่กอง เห็นว่าเรามีใจกับใช้กันไปใจเราชั่ ว, วเราเสียอย่างไรคิดถูกอย่างไรในไใส่คิดนั่นก็แจะคิดในได้เอาถูกไม่เป็นถูกถทกเมันก็เขาตัวเองอยู่ตลอดมาเป็นความโลภความโกรธความหลงถึงมันเคยมีอยู่แต่ไหนแต่ไร้อไปกระทบ สิ่งที่มันชอบมันก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นพอาไปกระทบสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็โกรธขึ้นเพราะความหลงของใจหากเราฝันเราลองจริงจั ง, จงมันใสมันทาบอันนี้มันอารมณ์ชั่วอารมณ์เสียคิดไปก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้นอกจากจะทุกข์จิตทุกข์ใจของตัวเอง มันทราบเมื่อมันทราบมันเล่นโทษมันก็ัวไม่กล้าที่จะไปคิดในกล้าที่จะไปพูดไปทําเหมือนกันกับคนทาบอะ่ะอันนี้สารพิษเห่าจงอางไม่ใช่ปลาไหลเพราะที่จะไปจับค้อมันเล่นมันก็ัไม่กล้า เพราะถือว่าสิ่งนั้นมันเป็นอสารทิตเมื่อถูกมันตัดเขา้าเราจะต้องเกิดทุกข์เกิดโทษในตายก็ ค, งคางเหลืองไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้ใน่กล้าที่จะไปเล่นไปเกี่ยวข้องกับมันนอกจากจะสังหารมันมันมีอยู่นี้ แต่หากเราไม่ระวังรักษาเผลอเมือ่อใดมันก็จะกัดตัวของเราให้เกิดทุกข์หรือถึงตายได้พอเจอเขา้าะอาวุธสิ่งใดจริงหนึ่งมาประหัดประหารมันแต่มีปืนก็ปืนยิงเสียมีท่ามีขวานมีค้อ น, อนก็ตีมันให้มันตายเสียหนูมันตายไปแล้ว ถึงเกี่ยวถึงฟันของมันจะมีอยู่ตัวของมันจะมีอยู่ยังไงเหน่าเป็นธาตุดินน้ําไปก่อตามมันก็เป็นสามารถจริงไหมไล่ภบกัดเราพอมันตายนี่จิเลตันหาภายในจิตในใจของเราถ้าเราเห็นมันก่อทุกข์ก่อโทษไงแกตัวของตัวจริงๆังพอทำนองนั้นไม้กล้าที่จะไปเล่นไปคิด ไปเกี่ยวไปข้องนอกจากจะประหัดประหารโดยอุบายปัญญาสััทธาความเพียรของตัวเท่านั้นเพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก็ไม่ก่อประโยชน์อะไรนอกจากจะเก็นไยแก่ตัวของตัวนี่ผู้ที่มีธรรมะผู้ที่จะธรรมะที่จะนาอย่างนั้นขันจนึิมีความสุขความสงบทั้งทา้งจิรูปเสียง กลินรถสัมผัสอารมณ์อยู่ในโลกมันมีเหมือนกันแต่ท่านในลุ่มหลงติดข้องในสิ่งเหล่านั้นเพออาศัยจิตใจของท่านสะอาดกลั่นฟองแล้วสะอาดแล้วตามีมันก็ต้องเห็นลูกหมูมีมันก็ได้ยินเสียงจมูกมีมันก็ ถูกกิ่นเหมือนกันแต่ไม่ร่มหลงเืิดเพลินไปในสิ่งเหล่านั้นมีไหมถึงใจท่านที่สะอาดเห็นสิ่งที่ในดีหรือสิ่งที่ดีตามความจริงเข้ามันาสิ่งนั้นควรเว้นสิ่งนี้ควรบำเพ็ญในเดีเห็น สิ่งที่ชั่วเป็นดีสิ่งที่ดีเป็นชั่วเหลพวกเราเท่านท่านวเรามันโดยมากมันเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นเลือดอาตัวเป็นเสื่องประดับเหล่าบินทุกกูมานีขังสาวไว้ในธรรมบทเป็นลูกชายของหญิงคนหนึ่งสึ่งนี้ลูกคนเดียวพ่อก็ดูว่า จะเสียไปตายไปคอใหญ่เป็นหนุ่มมามันดากัวเธรุทธน้อมอาศัยลูกคนเดียวนั่นแหละจะสืบทายาทมรดกทุกอย่างก็จะมอบให้เพราะไม่มีใครคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างเอาใจใส่แน่สอนให้ประเพื่อปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามค อ, องของคารวาแต่ลูกคนนั้นไม่ได้คิดระดีดม า, า, า, านดาข้องตัวรักตัวถึงคิดก็คิดได้อยู่รักแ จ, จ่จิตใจของเขาเนี่ ะ, อ ย, ะยนะอยากจะไปเที่ยวนั้นอยากจะไปเที่ยวนี้สมบัติที่มีอยู่เขาไปยินดีเขาอยากจะไปฮา สมบัติใหม่อยากจะไปเห็นอยากจะไปเ <c> ก <oughs> ี่ยวที่อื่นต่อมามีพวกนายซ้ำเภาเขาจะไปต่างประเทศสมัยก่อนไม่มีรถยนต์รถไฟไม่มีเรือไอเรือทั้งยาวเหมือนสมัยนี้มีเรือใบเรือสำ้ำเภาออกไปต่างประเทศไปพาขายกันชายคนนั้นหนุ่มคนนั้น เห็นเขาไปก็อยากจะไปกับเขาไปตกลงกับเขาขอไปกับเขาโดยไม่ปรึกษากับมารดาของตัวมราจะเห็นด้วยหรือไม่ไปตกลงกับคนอื่นไว้แล้วจึงมาพูดกับมารดามารดาก็ห้ามอย่าไปเลยสมัิเขาของของเราพอเพียนพอไปพอคลาพอซอย ไน่มีใครที่จะมาแข่งแย่งเอาของทิกอย่างที่มีอยู่ก็เป็นของลูกแมี่ยพอเฒ่าแก่แล้วเมื่อป่วยไข้ได้ทุกคนไลยทราบว่าจะพึ่งพาอาศัยใครนอกจากลูกเท่านั้นแตที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของแม่ในกองไฟแต่ก็ไป่สั่งเสียงว่าติดตกลงกับเขาแล้ว อยากจะไปเป็นส่วนใหญ่ห้ามเท่าไร่ก็ไม่ฟังถึงส่วนเวลาาเภาจะออกเนี่ยห้ามไวไม่ยอมฟังเสียงเนี่ย็กอดเอาไว้ไม่อยากให้ลูกชายทองตัวไปลูกชายซึงมีความอยากเป็นส่วนใหญ่ไมไ่คิดทำเงึนคำนวณหาว่าผิดถูกชัวดีอย่างไร ก็อาศัยกำลังเยาวแรงท้องตัวทุบตีแม่จนแม่ไม่สามารถที่จะกอดเอาไว้ได้จับไว้อยู่ก็เลยหนีไปลงสำเพาไปหนีในตำหรับตำลาที่ท่านกล่าวเอาไว้พอไปเดินสำเพาไปเดยวจ็ดวันก็คงใจพอสมควรสำเพาปกติมีลมมันก็พัดไปอย่างนั้น ไป ต, ตามที่ตามทางปกีิเคยสำเภาเขารู้จักขั้นไปเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วหยุดนิ่งถ้าชั้น ท, ที่มีลมอยู่ก็ไม่เดินไปที่ไหนโดยหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเป็นมาจากอะไรคนในนั้นก็ไม่ใช่ว่ามีแต่นายสำเภากับเด็กไอ้หนุ่มคนนั้นมันมีไปด้วยกันหลายคน เป็นจํานวนจิบจิบหลายร้อยนั่งอยู่ในซ้าเผาแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นเหตุอะไรตั้งใบขึ้นมันก็ไม่ไปให้ทําอย่างไรมันก็ยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยมาศึกษาปารับกันเหตุมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเพราะอะไรซําเผาของเราจึงเม็ดไปที่ไหนถา้ากมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีทาง ต่างคนจะตายจะต้องตายด้วยกันเท่านั้นพออาหารการกินน้ำดื่มอยู่ในนี้ถ้านําเภาในเขื่อนที่มันก็มีแต่วันมันจะหมดไปเนี่ยอาหารหมดน้นดื่มหมดทุกคนก็จะต้องตายกันเพราะไม่มีอะไรที่จะกินจะดื่ม จะลอยในสเภาของเรานี้อาจจะมีคนกาลิซีนีสักคนก็ได้สเภาจึงเกิดวิปริตแบบนี้ศึกษาตกลงกันอย่างนั้นก็เลยทำฉลาดคือทำบัตรกาลิีนีขึ้นจะใบหนึ่งหนอกนั้นต่อธรรมดาธรรมดาแล้วก็ประกาศ เห็นท้อมกันในเรือรถ้าหากใครถูกบัดกราชินีนี้จะต้องอยู่ประหมูขคณะไม่ได้จะต้องหนีไปตามกรรมขทองตัวคือจะให้ลงจากซ้ำเขาวา่น้ำไปตามหนาทีของเขาเพราะรักษาส่วนใหญ่ถ้าเจ็บเอาไว้มันจะตายโดยการทั้งหมด <c oughs> เมื่อตกลง พร้อมใจกันอย่างนั้นก็ททำสลาดขึ้นแล้วก็เจ้าทำเชื่อเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาเป็นหลักฐานไท ย, ยีนแล้วก็ให้จับสลากกันก็จับไปทุกคนแล้วก็ตรวจสลากก็ไปถูกกาลคินีไอ้เจ้าสิตีมารดาหนุ่มที่ไม่เชื่อฟังทำฟ้องแม่ ไปถูกเขา่เขาพอไปถูกเ ข, าขก่าเขาก็ไล่ให้กระดานแผ่นหนึ่งเป็นเสื่องอาศัยไล่ลงไปเกาะกระดานลายน้ําอาศัยกระดานไปพอคนนั้นลงจากซัาเผาเั่านั้นซําเผาก็เดิ น, น, นไปอย่างกระดวกสบายีนเรื่องในธรรมบุท่านเก่าไว้แต่อาศัยตจำของเขาในตายโจมน้ํา เขาไปอาศัยอแผนกระดานอาศัยเอขึ้นของน้ำพาไปกลับเลยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นมีเศษตัวหนึ่งซึ่งเคยค่าบิดามารดาไ้ตกนโลกหมกไหมหมดเวรกรรมในนรกแต่เศษของกรรมยังมีไดวมาเกิดเป็นเศษอยู่ที่นั้นในศี่ษะของเขามีกงจัก อันใหญ่ผันหมุนอยู่ในศีรษะเลือดอาบหน้าอาบตาไหลลงมาถั่วสละพางร่างกายเขาร้องไห้เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาไอ้ชายคนนี้ไปเห็นเข้าแทนที่จะเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งนั้นคือตงจักรัน หรือหมุนจีตะของเขาสิ่งที่ไหลลงมา <c oughs> ตามตัวของเขาคือเลือดเสียงที่เขาเจ็บเขาปวดเขาร้องไห้ก็หายใจว่าเขาร้องเพลงเพราะเลี้ยง เ, ยกเกอนสิ่งที่เขาเห็นองจากนั้นก็สวยงามเหมือนดอกบวัวเลือดที่มันไหลาอาบตัวก็ถือว่าเป็นสอยเป็นเพชรเป็นพอยเป็นเครื่องประดับสวยงามยากได้ร้องขอ ไอเปรตก็บอกความเชื่อว่าอันนี้มันไม่ใช่ของดีของดีอะไรนะเป็นกงจับนี่ก็ไม่ใส่เครื่องประดับเลือดอย่ามาโกหกเราอย่างไรขอให้เราเถอะเราใส่ใจว่าสิ่งนี้มันเป็นของดีของ ด, งดีจริงๆจริงๆเราจึงขอของนะือเปรตมันก็จะหมดกรรมของมันอยู่แล้วไอคนนี้ก็เลยไปรับออากรําอันนั้นพอตั้งกงจับ ใส่หัวให้ใส่ที่ตาให้มันก็หมุนลงไปพันลงไปเลือดก็ไหลอาบเนื้ออาบตัวทุกอยากลำบากร้องให้อยู่อย่างนั้นพอเวรกรรมของตัวขี้ชั่วเฉียะทำร้ายมารดาของตัวไม่เชื่อฟังมารดาที่ห้ามตามไม่อยากให้ไปอย่างนั้นอย่างนี้ ือไม่มีคุณความเ่ความดีอะไรนี่ไม่แต่เอาความอยากของใจไม่ฟังเหตุฟังผลคนอื่นเขาที่ห้ามเอาไว้ใจอยากไปอย่างไรชอบอย่างไรก็เอาใจใจของตัวเองนี่เรื่องวินทุกุมารในธรรมบททางสาเอาไว้จะรับทุกข์รับโทษเพราะไม่เชื่อฟังทำ หามปามของมานดาถ้าหากมาพูดเป็นธรรมมาที่ฐานวกเข้ามาหาพวกเราท่านหรือตัวของเราเองมานดาก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้เหตุผลดีชั่วผิดถูกต่างๆหากห่ามเอาไว้ไม่ให้ทาให้พูดให้คิดพิ่งที่ผิด สิ่งที่เป็นพิษเป็นไทยแก่ตัวของตัวแก่พวกเราท่านก็ไม่ยอมเชื่อฟังทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เชื่อแต่ใจของตัวเองใจเนื้อใจคิดอยากอย่างไรชอบอย่างไรก็เอาตามใจของตัวเท่านั้นจะคิดถูกชัว่วดีไม่ได้คํานึงคํานวณแต่พอเผ อ, อิญไปโดนทุก โดนโทษเข้ายิงจะวกคิดเอะนี่เราผิดไปแล้วมันแกไขไม่ได้เพราะมันติดหนัะเหมือนปลาติดติดเด็ดมันหนีไม่ได้มันขวางมันติดแล้วยิ่งเด็ดติดลึกถึงหกพุงของปลาแล้วไปเธอไปที่ไหนไปไม่ได้ไม่จริง มีทุกข์ทุกขขนาดไหนที่เบียดมันเกาะปากเกาะพุงพอกมันหรืออย่างนั้นผลที่สุดกว่าตายที่ม่อย่างนั้นเจ้าของเบียดตามเบ็ดเข้ามาเห็นเขาเอาไปต่มไปแจงกินเสียยชื่อไม่ได้คิดคำนึงว่าไอ้นี่เบียรอันนี้นิดๆหน่อยๆอันนี้มันมีอะไรอยู่ภายในหรือไม่ พอเห็นเข่าก็สวบเอาคืนเอานี่จิตใจของพวกเรา่านก็ทํานองเยียวกันถือว่าอันนั้นมันอยากมันชอบแต่มันจะให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวอย่างไรนั้นไม่ได้คิดคืนมาพิ่เจรนาดูเอาจากความยากเป็นหลักเป็นเกณฑ์พอไปโดนทุกข์โดนโทษเท่าหนักจึงจะวกคิดนี่เราคิด มันแก่ตัวไม่ได้แล้วมันหลวมตัวแล้วมันเกินจินเด็ดแล้วมันลำบากมันจริงควรคิดพินิจิจารณาให้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างไปและคํำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านบังดีแก่สว์โลกขนาดไหนคิดอะไรจากเราผู้บวชปฏิบัติจะเอาเข่าขาองเงินทองข่ายจ้างรางวัลในการบอกสอนมีไหม ไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าเรียกร้องจากเราที่ถันแนตสอนถ้าองค์เองก็ปนรริ้พานไปแล้วไม่มห่วงใยอะไรในโลกจะผิดตัดสอนเอาไว้เพราะทรงสารเนตตาสัตว์ถ้าหากไม่มีคำสอนเอาไว้ก็ไม่มีทางเดินสาหรับสัตว์ มือบอดอยู่แล้วแต่มีคำสอนขนาดนี้ก็ ย, ยังไม่เดินตามถนนคนทางให้มันกวนหน้าสังเวชสลดใจควรจิบมามาที่นี่ที่เจนาศึกษาเรื่องธรรมะเพื่อเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการละการถอนในสิ่งที่ชั่วสิดคิดต่างๆอย่าไปเห็นว่า การเกิดการตายเป็นของดิีของดีของวิเศษวิโสวิเลตปัญหาความอยากของจิตของใจอย่าไปถือว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานมันเป็นเรื่องดบเรื่องดีพระหลงเรื่องเหล่านี้จึงเกิดทุกข์ร่องไห้เสียใจเดือดร้อนวุ่นวาย ทั้งกายก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขเพราะเชื่อเรื่องจิตเรศตัญหาอยู่อายุเชื่อเรื่องชั่วเรื่องเสียที่ตัวก่อขึ้นคิดขึ้นไม่ได้เชื่อตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงได้รับทุกข์รับโทษอย่างนี้มันไม่ได้คิดที่นี้พิ่เจนนะเหมือนคนไข้ด้รับทานยา มันกาไม่มีวันหายแต่นั้นทมที่พระพุทธเจ้าทรงตร์เอาไว้จะเป็นสมัยใดการใดทมกว่าเป็นอากาดิโกคือทันการทันสมัยจงนำมาพิจารณาศึกษาปฏิบัติกายวาจาใจของตัว <c oughs> ให้รู้ให้เข้าใจว่าชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีอย่าไปหลุ่มไปหลง อย่าไปเชื่อความคิดของตัวโดยถ่ายเดียวถ้าความคิดที่เป็นพิดเป็นภัยเป็นจิเลตัญหามันจะนำทุกมาให้จึงไม่ควรเชื่อเรื่องความคิดของตัวยิ่งกว่าอัดกว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าองค์เห็นประจกักษ์ชัดเจนในพระทยมาแล้วจึงมาสอนสัตย์ สอนโดยความเมตตากรุณาสอน้วยความสงสารรักให้สัตว์เลสอนให้สัตว์สิบหายล่มโจมสอนให้สัตว์เหล่านั้นดีดีมีคุณค่าได้รับความสุขความสงบมีวพวกเราทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> จะไปไดน ที่นิพพเจนะในจิตในใจข้องตัวเสื่อเคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าบังหรือที่สันอุตสาห์พยายามแน่สอนโดยไม่คิดมูลค่าสระอะไรทั้งสอนถูกต้องแน่นอนเรายังจะฝืนคำสอนทำตามกิเลสตัณหาความอยากข้องตัวไอเหมือนวินทุกุมานอย่างนั้นหรือต้องนำมา ทีนีพี่เจนาะสำละกจิตใจสี่ชั่วสีเสียต่างๆให้สงบให้เย็นมาอย่างนั้นการเกิดการตายมันจะยืดเยื้อเรื่อยไปในสาบว่าจะไปจบเอาเมื่ อ, อไรเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ตั้งนาปฏิบัติความจริง การปฏิบัติใจมันสั้นมันมีวันที่จะสุขจะสงบแต่การเชื่อเรื่องของกิเลสตัณหานะยาวแสนยาวไม่ทราบว่าจะจบจะสิ้นเมื่ อ, อไรถ้าเชื่อเรื่องพองมันเรื่อยไปกว่าไม่มีวันเพราะเป็นวัดตจับวนอยู่อย่างนะั้นเดียวเกิดเดียวตายเยอะ ดใจเสียใจเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเปิดเิยมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้มันไม่มีอะไรที่หนาเหลื่อมไซน่าสัทธาหนาปราถนาหนาอยู่สำหรับจิตผู้รู้ผู้ประพืชปฏิบัติท่านเห็นไปจากชัดเจนอย่างนั้นนี่พวกเราท่านมันหมืดมันบอดท่านทั้งที่โลกเปิดเผย ให้เห็นเด่นชัดอยู่แต่อำนาจความบอดของตาพระชิดพระจันทร์จะสว่างสวัยขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นอะไรเพราะมันบอดเมื่อบอดแล้วก็มักอยากจะพูดใหญ่อวดตัวไปเหยียบหัวหมาก็กูหาเหยียบมานานแล้วมึงอยู่นี่หรือแบบนั้นคนบอดไปโดนหลักโดนตอ ก, กเหมือนกัน อูหาโดนหาเตะมานานแล้วเพิ่งจะเจอมพงเดียวนี้มันไปแดดนั้นคนตาบอดในยอมตัวว่าเราไม่เห็นเิ่งไปเหยียบมันไปโดนมันแก่ตัวเลื่อยไฟคนบอดมันพูดใหญ่พูดเจ่งปฏิพานมากแต่ก็ใครเล่าเขาจะเชื่อ ใครเราเอจะเมตตาทั้งทั้งสี่ตัวไม่รู้ตัวไม่เห็นก็ยังพูดใหญ่ไฟสูงอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารให้เราก็ทำนองเดียวกันเหมือนเราบอดมองไม่เห็นอะไรก็ยังจะคิดใหญ่ไฟสูงยังจะเชื่อว่าตัวนี้ดีเด่นกว่าพระพุทธเจ้า ความคิดความเห็นของเราก็ถูกต้องกว่าธรรมะที่ท่านตัดเอาไว้ถ้าไปเชื่อแบบนี้มันก็ไม่มีท้าเหมือนคนไข่ไม่ฟังเสียงของยาไม่มีเวลาที่จะหายดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีมากทั่วโลกทั่วดินแดน หากเราฉลาดนำมาที่นิพพจานาสอนใจของเราแล้วจะเกิดสาระประโยชน์หากเราเห็นเราได้ยินแต่ไม่สนใจนำมาพิจรารณาว่าอะไรดีชั่วผิดถูกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้นีนน่แต่จนะมืดบอดเดือยไปแต่นั้นขอทุกคนจงนำธรรมะมาศึกษามาพิจรารณา ปฏิบัติอย่าไปเชื่อเรื่องกิเลสตันหามาหน้าทิศิของตัวยิ่งกว่าเรื่องของธรรมะถ้าทุกคนสนใจใธรรมะใจที่เคยมืดบอดก็อค่อยจะสว่างสวัยขึ้นใจที่เคยคุนมัวก็ออจะค่อยสะอาดขึ้น รรมาเป็นเสือสส่อมสำาักซักก็ที่เหลือตัณหาให้ตกออกจากกายวาจาใจของตัวยังทันการทันสมัยไม่มีอะไรที่มันเสื่อมมันเสียไปราคาตัณหาสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระจนอยู่ก็เหมือนกันกับพวกเราปัจจุบันทันปรินี้พานไปแล้ว คนที่มีราคาตัณหามาณคิดิมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่จะแปลกสิ่งเหล่านี้คือธรรมะก็ยังมีอยู่แต่พวกเราไม่สนใจนำมาแจกให้ต่เพื่อปฏิบัติศึกษาจิตใจของเราจึงเหล่าร้อนจิตใจของเราจึงหลุมหลงเลื่อยมาแต่นั้นขอจงนำธรรมมาศึกษา มาพิจารณามาประปฏิบัติเราทุกคนสนใจในธรรมะต่างคนก็จะจต้องมีความสุขความสบายจิตใจที่เคยมืดบอดดุ่มหลงก่นับวันจี่ใจสว่างสวัยอย่างธรรมะเป็นเรื่องแก่ทีเลตในใจอย่างนั้นจึง ควรผูกเราถ่านจะนามาที่นิพิเจนาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติคนที่มีธรรมะเท่านั้นจะเป็นคนอศัศจรรย์เป็นคนมีความสุขเหนือโลกที่เขาของสิตคิดปุงกันคนที่หลุ่มหลงท่าไรไม่มีธรรมะท่าไรคนนั้นก็เป็นใครแก่ตัวของตัวแหละโลกทั่วไปทั้งน ธรรมะจึงทันกับการกับเวลาเพรอเฉลี่ยตัญหามันยังมีอยู่ธรรมะจึงมีคุณค่าอยู่ถ้าิเลี่ยปัญหามันหมดไปธรรมะมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรเหมือนกับคนไม่ไข้ยามันก็ไม่จําเป็นคนไม่หิวอาหารมันก็ไม่จําเป็นแต่เนื่อไขมาหิวมามันจําเป็นที่จะต้องหายาหาอาหารนี่พวกเราขันทั้งสี่ เป็นไข่ทั้งทีหิวแต่ไม่หาอาหารหายามรารักษาเมื่อไรแล้วโลกของเรามันจะหายความหิวของเรามันจะหมดไปให้สอนใจของตัวอย่างนั้นเทุกท่านได้ดับทำค ำ, ำสอนเกี่ยอธิบายมาจงนำไปพินิจพิจารณาตั่งหน้าตั่งตาปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุข ก, กายสุขใจการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรถเวลาคอยุติเพียงแต่นี้เอวัง